ขอความสุขความเจริญจะมีได้ท่านสาธุชนทั้งหลายประสูนในวันนี้จะได้พูดเรื่องอภิหารนิสูตรหรือ ป, ประสูตนที่ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่จะทําให้บุคคลไม่ประสบความซึมอันที่จึงชื่อประสูนในลักษณะนี้นั่นก็มีอยู่มากได้เข้าใจว่าไอตัวชื่อประสูนจริงๆ เป็นการตั้งกันทีหลังตอนพระเจ้าทรงสแสดงก็สแสดงบางทีก็ชื่อก็เกิดในขนาดนั้นแต่ว่าเป็นคนอื่นตั้งสรุปเนื้อหาที่ทรงสแสดงแล้วก็เรียกชื่อหล่านั้นขึ้นมีส่วนน้อยที่ทรงเรียกเองวลคำว่าอปริหานิ ก็คืออปริหานิยธรรมอะไรต่างๆที่เราเคยพบในมหาปิภาในสูตรในระสูตรตอนนั้นมีเยอะหข้อบงังเดข้อบงังแปดข้อบงังแต่ละข้อแต่ละหมวดเนี่ยทรงแสดงว่าเป็นธรรมะที่ทำผู้ปฏิบัติไม่ให้ประสบความเสือมแล้วมักจะจบลงด้วยคำบเลีที่ว่าอุทิเยวะปิกเวปิผู้นางปฏิกังคาโนปริหานิ ว่าความเจริญเท่านั้นที่หวังได้จะไม่มีความเสื่อมเลยเพราะาโดยหลักธรรมะปฏิบัติแล้วการปฏิบัติธรรมะทั้งปวงมันก็เป็นไปประความเจริญอยู่แล้วแต่นี้พูดในแนวปิดกั้นความเสื่อมคือพูดในแนวละมากกว่าพูดในแนวของการปฏิบัติธรรมะที่ทรงสแสดงก็มีเพียงสามข้อ การแรกก็คือเรื่องที่ใช้คาว่าปฏาิโมกะสงวนคือสำรวมระวังตามบทปัญญาของศีลพูดง่ายๆว่าปฏิบัติสำรวมระวังตามบทปัญญาของศีลแต่ว่าศีลนกัก็ก็แลแต่ศีลใครนะะว้าใครมีภาระหน้าที่จะต้องปฏิบัติศีลระดับใดก็ปฏิบัติสำรวมระวังในศีลข้อ น, นั้น อย่างท่าสาวชนทั้งหลายทุกไปก็เน้นไปที่สี่้าข้อซึ่งเป็นฐานของศีลต้องปวงนะฮะที่จริงก็เป็นฐานของศีลโลกเลยจำไ ป, ไปเป็นการฏิบัติ ท, ท, ที่ที่ถ้าเราลองสังเกตนะฮะลองสังเกตว่าแนวพราชาการความคิดเนี่ยความพิธิตออกมาในรูปของความรุนแรงเรเรียกว่าเป็นมิกรสัญญี เนความคิดในแนวปฏิเสธสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของกันและกันแล้วก็มีการล่วงละเมิดมีการทําลายล้างทรัพย์สินคู่ครองชีวิตของคนอื่นสัตว์อื่นนะครในขณะเดียวกันก็ปกป้องสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่ครองของตนเองพอถ้าเรามองเทียบเคียงในจุดนี้ก็แสดงว่าที่จริงก็ยอมรับอยู่แต่ว่ายอมรับเฉพาะสิทธิส่วนตัวไม่ ไม่อยอมรับสิทธิของบุคคลถึงแนวความรุนแรงทั้งหลายในโลกก็อกความแน่นั้นก็เป็นความคิดที่รุนแรงขาดเหตุขาดผลที่รุนแรงขาดความคิดในแนวที่เอาจจเขามาใส่ใจเราเนี่ยก็คิดไม่ได้ทีนี้พอมาถึงระดับศีลเนี่ย ไม่เป็นความคิดระดับที่ยอมรับสิทธิในชีวิตในทรัพย์สินในคู่กครองของกันแต่กันเราสำรวมระวังไม่มีการร่วงละเมิดไม่มีการกระทบกระทั่งต่อสิทธิในทรัพย์ในคู่กครองในชีวิตนะฮะในชีวิตในทรัพย์ในคู่กครองแต่พอถึงระดับธรรมะเนี่ยเราเจะพบ ว, ว่ากระจายความยอมรับออกไปเรื่อยๆ แล้วก็มุ่งเปดำตนองอภิบาลแนวเมตตาในเราเห็นได้ชัดว่ามุ่งอภิบาลก็ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อชีวิตต่อทรัพย์สินต่อผู้ปกครองของบุคคนด้แต่ก็ช่วยเหลือทั้งในรูปของการป้องกันแารรูปของการป้างปัดภัยอันตรายแล้วก็ส่งเสริมตอนรปุรุรักษาเป็นการยอมรับที่กระจายออกไปคือไม่ไม่ได้ขับแคบเหมือนเดิม ว่าพอศึกษาไปาึกษามาไปเรื่อยๆนะครัก็ไปถึงจุดที่เรียกว่าไม่มีตัวมีตนที่ตอนไม่มีตัวมีตนที่จริงแล้วคล้ายๆจะไปทำอะไรได้ตามคนตามชอบใจแต่ว่าจิตใจมันจะลอยไปคืออยู่สูงของความคิดนรับขนาด น, นั้นซึ่งถ้าเรามองในมองจุดนี้ถ้าเราขาดปัญญาเนี่ยถ้าได้เคยอ่านเรื่ององค์กริมาดนะ ที่จริงมันมันข้อความตอนนี้เนี่ยเขาเอามาจากสีมัสประวัตจิตาหรือเป็นการสอนให้ว่าจะสสอนองค์กริมาณที่บอกว่าไม่ไม่มีตัวตนนะฮะไม่มีผู้ฆ่าไม่มีการฆ่าไม่มีผู้ตูกฆ่าอใครว่าสีดินนี้เป็นผู้ฆ่าที่จริงสีดินนี้ไม่ได้ฆ่ามันเป็นการแทรกของวัตถุลงไปในวัตถุเพระ น, นั่นพนี้ฆ่าไม่บากไลยมั่วหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่า มันขาดปัญญาที่จะชาระจิตใจให้กิเลสมันลดน้อยใกลางบ้างลงไปเราดูแล้วคล้ายๆเป็นหน้าตาจริงๆไม่จะเป็นหน้าตาไม่มีการหลงทางในการปฏิบัติแต่ในขณะเดียวกันคนอื่นตัวเองฆ่าคนอื่นได้นะแต่ว่าคนอื่นฆ่าตัวเองไม่ได้เพราะแสดงว่าลึกๆตัวเองก็ยังมีตัวมปตนแต่ในแนวพุทธศาสนานน พอถึงจุดนี้จุดจุดที่เรียกว่าสมบูรณ์คือเป็นหน้าตาที่สมบูรณ์เนี่ยมันจะมีความอื้องเพื่อมีความอัดทอนมีความสงสารต่อคนที่ยังยึดติดอยู่ในแนวเดิมซึ่งท่านก็เคยยึดติดมานะฮะแต่ว่าท่านก็ดดรอดมาได้แต่กลับมองคนอื่นด้วยความสงสารเพราะการสำรวมระหว่างในชั้นศีลที่จริงมันเป็นปฏิบัติการทางจิต ระดับที่สองถ้าเราเรียนสี่ระดับเนี่ยฮะเราจะเห็นว่าอยู่ระดับที่สองกันนั่นเองก็ยังแกว้งเนี่นะเพียงแต่ว่าต้องรวมระวังในการไม่ร่วงละเมิดจิตชี้ในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่นจริงๆเป็นวิถีชีวิตปกติธรรมดาสี่นั้นจะเรียกว่าปกติ แล้ามปกติกายปกติวาจาการกระทําอะไรก็ตามหรือการพูดอะไรก็ตามมันก็ดูว่ากระทบกระทั่งตัวคนอื่นไหมเป็นการเบียดเบียนประทุษร้ายตัวคนอื่นไหมถ้ามีการเบียดเบียนต่อชีวิตต่อทรัพย์ต่อคู่ครองหรือว่าต่ออะไรก็ตาม ท, ท, ท, ที่จริงก็มีอยู่สามตัวนะฮะ ถ, ถ้าเรามองมองให้เชื่อมแล้วเราจะเข้าใจได้ง่ายอยู่เจ้าสงใช้คำว่าอัตตาตนียาคือตนก็สิ่งเดียวนึกโดยตัว สิ่งี่เกี่ยวเนื่องโดยตัวที่สร้างความรู้สึกยินดียินร้รายให้เกิดขึ้นแก่เราเนี่ยฮะมันจะมีเนี่ยเกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับคู่ครองด้วยนั่นเองถ้าไม่เชื่อมต่อกับตรงนี้ไม่เชื่อมต่อกับเรากระทัพย์กับคู่ครองของเราแล้วอจิตใจเราจะไม่เดือดร้อนอะไรไม่ว่าจะทางบวกหรือทางลบงก็ตามจะเรียกว่าไม่เกิดความยินดียินร้ายอะไรเป็นวิธีการที่วางไวอยอยง้อย่างอย่างแหลมคมมากนะต้องต้องคิดนะ คิดเอามาเอาศีเนี่ยมัคิดคิดแนวศีลาหน้าติปแนวชายปัญญาพินาจานาในแง่สังคมในแง่พัฒนาการทางจิตวิญญาเราจะพบว่าเป็นความคิดที่สะสมไม่ยยมนานนาแล้วก็มีประสบการณ์ในกวา้างไกลพอถ้าเรามองพัฒนาการความคิดเรื่องสี่ห้านี่มันมานานมากมากแล้วก็มาสรุปไว้แค่แค่หาข้อ คือสามารถจะป้องกันอะไรได้ทั้งหมดปัญหาของโลกทั้งปวงเนี่ยฮะถ้าคนเรารักษาที่ศีลห้าได้แล้วมันควงกันได้ทั้งหมดเพราสิ่งที่มีการเบียดเบียนทำลายล้างกันอยู่เนี่ยมันก็เรื่องเกี่ยวกับทรัพย์กับชีวิตกี่ยับคู่ครองนะมันไม่มีอะไรเลยในแต่การสื่อสารติดต่ออะไรต่ออะไรมันก็ไปทำลายข้างข้างบนสามสามตัวนั้นคือชีวิตทรัพย์คู่ครองอยู่ทุกจีบพระยายก็สอนให้สำบุกระวัง เรียกว่าปาติโมกษสงวรคือสำรวมด้วยบทปัญญที่กำหนดขึ้นไปนะฮะเป็นกฎเป็นเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขไปในสังคมก็แล้วแต่สังคมไหนแต่ว่าพระรจับที่ศีลห้าได้ศีลของพระเองก็เชื่อมอยงศีลห้านั่นะนี่มีอะไรเพียงแต่ว่าเรเมียเรลไม่ขึ้นไปประณีตขึ้นไปทได้บ้าง ทำได้ดีบ้างไม่ดีบ้า ง, างก็ต้องพยายามทํากันไปโหกบลกุบหกลุบกันไปจะสํารวมระวังจนจนดูศีลคือเห็นความบริสุทธิ์ของตัวเองนี่ในแนวของการปฏิบัติเราจะเห็นว่าไม่ว่าอะไรก็ตามคือเราต้องรู้ด้วยตัวของเราเองที่ไม่ไม่ไม่เข้าข้างตัวนะไม่อคติเข้าข้างตัวเองเห็นความบริสุทธิ์หมดจดด้วยศีลของตัวเอง ในการตํารวมระวังรักษาศีลจึงมีอยู่หลายระดับเราดัที่เจตนาคือว่ามองเห็นคุณค่าเนี่ยคุณค่าของการมีศีลและโทษของการไม่มีศีลอย่างที่ทรงแสดงไว้อะไรต่างๆเป็นๆน่นาเรื่องศีลในแสดงวิจาจณ์เจนศีลให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลตราบเท่าแก่เท่าไปบุคคนจะเข้าถึงสุคติสมบูรณ์ในพวกกสมบัติวรรณะนิพานพราะศีล เปลเป็นเครื่องประดับอย่างประเสริฐเป็นกราบอย่างอัศจรรยแล้วก็เป็นที่ตั้งหรือเป็นฐานที่ตั้งของชีวิตตลอดทุกพวกอานิสองส์อะไรต่างๆอาสงแสดงว่าที่จริงจรงองนี้นเราศึกษาในแนวปริยัตจนที่จะยอมรับนับถือว่าสิ่งเรื่องนี้เป็นความจริงแต่ว่าผลที่จริงมันยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่ปฏิบัติแต่มันเกิดที่คนอื่นซึ่งเขาปฏิบัติ เคยปฏิบัติได้ถึงจุดนั้นถ้าก็รับผลอย่างนั้นหรือเมื่อต้องการผลในลักษณะเดียวกันก็ตั้งใจสำรวจระหวังงดเว้นแนวเดิมจริงๆนะฮะแนวแนวหลักจริงๆนะในการสมาทานศี่จริงเราลองสังเกต น, นะฮะมันก็ไม่มีสมาทานอะไรกันหรอกเเรื่องที่เกิดขึ้นจิหลังถ้าลองนึกดูว่า ที่ท่านฟังเทศบรรลุผลเป็นพระหันไปไม่ว่าจะเป็นทุกพันปัญจวัคคีเอาท่านเป็นยวัคีท่านนักบวชนะฮะเอาท่านยาตสศรัทธานแขนยญาตรัทธาครอบครัวญาติศ ร, รัทธ า, าสหายพยาติศรัทธามาถึงฟังเทศเลยนะไม่ได้สมาทานศีลฟังเทศพระเจ้ากับเทศเทศแล้วในตอนนั้นมันเป็นศีลมันรวมระวังกายของท่านก็สุดจริตวิจาของท่านก็สุจริตนรระท่า้ ง, ง ส, าสำรวมระวังเขาเป็นจีลแล้วเพราะศีลคือการสํารวมระวัง ไม่กระทามด้วยจริตทางกายทางวิจารมันก็เป็นศีลแต่ต้องมีสํารวมระวังนะจะตั้งใจสํารวมระวังไม่ใช่ว่าไม่มีสัตว์ได้ฆ่าแล้วไม่ฆ่าไม่มีทรัพย์ไปรักแล้วก็ไม่รักแล้วก็ถือว่าสำรวมระวังไม่ใช่อย่างนั้นคือเราจะต้องตั้งใจสํารวมระวังถึงจะเกิดเป็นศีลขึ้นมาแล้วสมาธิเองก็เกิดในขณะท่านฟัง ค, คือใจสงบอยู่กับธรรมเทศนาพระเจ้าทรงแสดงมันก็เป็นสมาธิพิจารณาไปก็เป็นปัญญา แ่นัในที่ในสุดพอถึงจุดหนึ่งก็สมบูรณ์แล้วก็บรรลุพระคนเป็นพรรยบุคคลก็นั่งอยู่ตรงนั้นเองไม่ได้มีรูปแบบวิธีการในการรมาทานแต่ประการใดรูปแบบที่คิดขึ้นในตอนหลังเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจและต้องการจะให้มีคนอื่นเป็นสักขีพยานอยอมยอมรับื่อว่ากล่าวตักเตือนกันรือห้ามปามกันแต่นั้นเองจึงมีรูปแบบในการสมาทานศีลในการ แล้วก็จะมยียังมีอีกสองหลักที่ไม่ต้องสมาานะถึงงดเว้นเมื่อมีเรื่องจะแล้วเมื่อสินเกิดขึ้นแล้วมันเกิดอิริโอตปะขึ้นภายในใจงดเว้นได้เองพวกนี้จะสำคัญฮนะพวกนี้ได้เก่งมาที่ท่านเล่าถึงคนคนหนึ่งช่วยจักลกะแม่ก็ป่วยหนัก หมอมารักษาบอกว่าต้องใช้เลือด ก, กระต่ายสดๆเนี่ยเป็นเป็นเครื่องประกอบยาที่ชาตก็บอกให้แกไปจับกระต่ายแกก็จับได้นะกระต่ายนก็ร้องแสดงความว่ากวแกเกิดความคิดขึ้นมาว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะการที่จะเอาชีวิตของแม่เราไว้โดยการฆ่าชีวิตคนอื่นแล้วคนอื่นกระต่าย ก, ก็มีลูกมีพ่อมีแม่แกฆ่าเขาไป พ่อแม่เขาก็เดือดร้อนลูกเขาก็เดือดร้อนนั้นก็เลยปล่อ ย, ด, ย, ด, ยด้วยผลของความดีนะครับนเนี่ยทำให้การรักษาแม่ในคราวนั้นก็ไม่ต้องใช้เดือดกระต่ายแล้วก็หายด้วยอางนี้ก็เรียกว่าสัมปัตตวิรัตซึ่งมั น, มนแสดงถึงมโนธรรมสานึกที่สูงมากคือมีเรื่องกระตุ้นให้เกิดแล้วเมื่อศีลแล้วก็มีความจำเป็นในคน้งางบังคับด้วย ทั้งพี่ทั้งแม่นะฮะบังคับมาแต่วก็จริงท่านก็มีเหตุผลในการตัดสินใจความต้องรอนวางเกิดขึ้นในขณะนั้นแต่นั้นถ้าจรงเรียกว่าเจตนาเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นหรือเป็นเหตุ ง, งดเว้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในแต่ละขณะ แต่คนที่สมาทานศีลในทั้มไปหรือแสดงตัวว่าเป็นผู้มีศีลดยทั้มไปแต่ผมมีเรื่องให้เราเมิดศีลประกบควบคุมตัวเองไม่ได้เก็บศีลไว้ก่อนก็เอาผลประโยชน์เอาไว้แล้วก็ไปแก้ปัญหาเรื่องศีนเอาแต่นั้นถ้าท่านแนวที่เรามองในการปฏิบัติจะเห็นว่าไอ้แนวแนวที่สองในชักจะเข้มข้นมากกว่าว่าความมาสำนึกดีกว่ามีความคิดที่สมเหตุสมผลมากกว่า ไม่ไดีงาสายรูปแบบเพ ร, รูปแบบบางบางทีนี่ถ้าเราทําบ่อยๆมันซ้ำทซากๆนะจำิจเจตอนสมัยอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยมาเป็นคนเป็นคนต่อต้านเรื่องนี้มาญาติโยมก็รู้กัน น, นะ่ยะยขอสีล่อเพื่ อ, อมาไม่ให้ขอสินก็ขอเลยไปจบละไม่ให้ครับรักษาสีนไม่ถึงครึ่งวันขอแล้วขออีกตามของเล่นไป เรื่สวดอะไรก็เหมือนกันเนี่ยเองเขารู้กันเลยฮนะตลามาไปแล้วเขาก็ไม่กล้าไปจุ่มรักษาศีลสมาทานแล้วก็จบไปนะรักษาได้สักวันหนึ่งก็คืนหนึ่งซะก่อนเดี๋ยวอะไรก็ขอเลยคือธรรมของเล่บนั้นไม่เคยขังไงนะว่าเราเราสมาทานแล้วรัตนานแล้วมันก็ต้องรักษาให้ได้เพื่อจะเห็นว่ามันเป็นของสําคัญ จะรับแล้ทิ้งแล้วขอใหม่รับทิ้งแล้ อ, อใหม่มเรื่องของไม่สําคัญไปนั่นคือเป็นเป็นรูปแบบการการรัตนาสีที่จึงมันก็เป็นรูปแบบเป็นระเ บ, บนีนีไปแต่ถ้าแนวแนวนี้ที่จึงคมนะยนะแล้วแนวที่ลึกซึกมากกว่า น, นั้นก็คือมองเห็นโทษชัดเจนมองเห็นขุดชัดเจนแล้วงดเว้นเด็ดขาดก็สามารถที่จะปิดกั้นกระแสเวียภายได้ ซึ่งเราจะเห็นว่าเรื่องเรื่องทั้งหมดเรื่องเรื่องศีลห้าทั้งหมดไอ้ที่จริงมันมั น, ม, นมันเรื่องมนุษย์อะมันปกติปกติก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะการเราเมื่อศีลที่จริงเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ปกติเป็นเรื่องของคนไม่ปกติคือใจเราถ้าปกติเราก็ไม่ทําอะประทุษรายชีวิตคนอื่นทรัพย์สินคนอื่นคู่ครองคนอื่นโกหกคนอื่นเยี่ยที่จริงมันจิตไม่ปกติทั้งนั้นเนี่น เราพยายามพยายามละปกติของตัวเองคือทําลายสถานภาพตัวเองอ่ะการละเมิดศีที่จรงมันเป็นไ ป, นปนการสูญเสียสถานภาพนะเราเป็นคนพอไปฆ่าคนก็เป็นฆ่าแต ก, กรพอไปลักทรัพย์ของคนก็เป็นขโมยนะพอไปเกี่ยวข้องกับปัญญาสามีคนอื่นก็เป็นคนขี้ชู้พอโกหกก็เป็นคนขี้โกหกมันเสียสภาพความเป็นคนใครคนทาลายก็เราทําลายเอง เราเป็นคนทำลายเองชีวิตร่างกายก็ได้อัตภาพก็เป็นความเป็นมนุษย์จิตใจความคิดความอ่านมันก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วแต่ว่าเราทำลายสถานภาพความเป็นมนุษย์เองคนมากๆเข้าก็เป็นในเสือฆ่ามากๆก็เป็นมือปืนนะฮะต้องฆ่าต้องฆ่าต่อไปปืนปิดในกามากๆก็เป็นคนเดีวที่จะต้องจับจับทั้งหมดอ่ะ ผ้ท้ายว่าเราทำเราเองนะั้นันที่ตันใช้ของปกติเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าถ้าเราปกติเราก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ที่เรามีปัญหาเพราเราผิดปกติทาอะไรผิดปกติปกติเขาไก่ปกติของมนุษย์ปกติของคนคนก็ไม่เป็นอย่างนั้นมนุษย์ก็ไม่เป็นอย่างนั้นแต่เราก็ไปทำผิดปกติของคนไปแต่ถ้าเราทำได้มันก็เป็นความส ง, งบเป็นความเยือกเย็นศีลยังแปลวความสงบแปลว่าความเยืกเย็น การเจลี่ยนกายเจนใจทีนี้แนวนในการรักษาเนี่ยเราเจอบ่อยนะพวกพวกศีนเจอบ่อยเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่าศีนสมาธิปัญญาทุกทีพุ่งไปเพื่อมาก็อยู่ในกรอบของศีนสมาธิปัญญาในกรอบของศีลที่เราจะรักษาถ้าเราเดินขึ้นไปบันไดขั้นสาม มาขึ้นไปขั้นธรรมะเนี่ยศีลศีลเป็ น, นปเรื่องเล็กแล้วไม่ไม่ต้องนับตัวเลขวันหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องเพราะธรรมะนี่ก็จะใหญ่กว่าศีลแล้วธรรมะเป็นข้อดีเนี่ยจะรักษาศีลได้เป็นเป็นร้อยข้อนะฮะรักษาได้โดยไม่ต้องสนใจว่าศีลนี่มันมั น, ม, นมันก็บัร ญ, ญักาศไปยังไงแต่ว่าธรรมะเข้าถึงใจหรือมีธรรมะในใจเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยท่านยังเรียวผมมีไม่ว่าอะไรก็ตานะ เวลาคนปฏิบัติแล้วเนี่ยคือเขาจะเรียกว่าเรียกว่าความนะความเมตตาความกรุณาความมุติตาความเบิดาเขเรียกว่าความแต่พอไปอยู่ในคนเรื่องเรื่องมีคนนั้นมีสติคนนี้มีสัมมัญญามีคันติมีเมตตามีกรุณานะฮะคนก็เรียกว่ามีมันก็ดูแล้วมันก็มีสตางค์มันก็มีความรู้มันก็มีแรงมันก็มีทรัพย์มันก็มีอะไรนะฮะมีมีอะอะไรที่มีมีมันก็ช้ได้ แต่ให้มีพอใช้ทีนี้พอใช้เนี่ยมาขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะฮะว่าใกล้ๆของราคาไม่มากมันก็ใช้ไม่กี่บาทมันก็ได้แต่ของมากๆเราก็มีไม่พอใช้ในขณะนั้นเราก็ซื้อหาไม่ได้เราก็หาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นของของเราไม่ได้แต่อมาปฏิบัติมันก็มีลักษณะอย่างนั้นวา่าเรามีในระดับหนึ่งเราก็คุ้มครองตัวเองได้ระดับนึงแต่จุดหนึ่งมันมีไม่พอ มีไม่พอใช้มันก็มีปัญหาในจุดนั้นอย่างลักษณะของเมตตาเนี่ยที่จริงเรามีนะทุกๆคนมีฐานเมตตาอยู่แต่นั้นนะเพราะเป็นฐานปกติของจิตอย่างน้อยเราก็มีความเอือ้ออาทรมีความบุญญาอยู่ภายในครอบครัวความเมตตาเอ็นดูญาติพี่น้องลูกหลานวงศาคณะญาติเพื่อนฝูงอะไรแตร่เราก็มีนะฮะเป็นฐาน แต่ในแง่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยชีวิตเราไม่ได้สัมผัสเฉพาะกลุ่มนี้เฉพาะในครอบครัวหรือกลุ่มโรงเรียนกลุ่มสถาบานเราที่จริงเราสัมผัสสังคมที่กว้างออกไปวันดีก็ดีเพื่อเดียวไปอยู่เชียงใหม่แล้วไปอยู่ในลาตินวาดแล้วไปต่างประเทศแล้วก็แสดงว่าคนเดียวสัมผัสเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเฉพาะกลุ่มย่อยๆแต่ว็ากลุ่มเั็นใหญ่ปัญหาสาคัญเราถึงจุดนั้นเราแสดงเมตตาได้ไห แสดงกรุณาก็ได้ไหมหรือยังไม่มีอะไรเนี่ยวางเฉยจะได้ไหมอย่าวุ่นทำใจสงบไปวางเฉยจะได้ไหมถ้าได้มันก็มีปัญหาแต่ถ้าทำไม่ได้หรือวางใจไม่ได้มันก็มีปัญหาแสดงว่าตรงนั้นเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเรามีไม่พอใช้ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีมีแต่ว่าไม่พอใช้ ให้ท่านลองสังเกตว่าธรรมะเขาที่จะหยิบตรงไหนขึ้นมาก็ได้ไม่ได้เจาะจงอะไรนะฮะสมมุเรามีขันติอ่ะไปเลยนะขันติเราไม่เคยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างดีอุตตป์่ายกตัวอย่างเมตตามาตัุนี้จะมีขันติอะได้การที่ไปล่วงเกิดในทรัพย์สินในชีวิตในทรัพย์ในคู่ครองของบุคคลอื่นมันแสดงว่าจิตใจขาดความบิกั้วางขาดความอดทนต่ออารมณ์อารมณ์โลภก็ได้โกรธก็ได้นะสองอย่างฮะโลภกับโกรธ แต่ถ้าเราอดการอดทนต่ออารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเราข่มใจเราได้เราห้ามใจเราได้เราอดทนไว้ได้ก็จบพวกนี้จึงเรียกว่าบารมีฮะท่านจะเห็นว่าแต่ละข้อแต่ละข้อมันเป็นบารมีพวกขันติก็ดีสัจจะก็ดีเมตตาก็ดีความเพียรก็ ด, กดีปัญญาก็ดีอะไรเนี่ยมันเป็นบารมีแต่ละข้อนะข้อเดียวแต่นั่นเองเอาแต่ข้อก่อนมันจะคลุมพื้นที่ของศีลทั้งหมดยังศีลพระเองถ้าหากว่าท่านทั้งหลายไปลองอ่านศินพระนะ 2 0งรในประปัติโมที่จริงที่จรี่เป็นวิถีชีวิตคนอยู่เยอะเลยเป็นวิถีชีวิตปกติธรรมดาของคนเนี่ยนะปกติใครก็ไม่เคยทําอย่างนั้นอยู่แล้วออกจากมันเสียปกติอยู่แต่ว่าท่านจําแนกออกไปเป็นรูปรายละเอียดว่าความผิดปกติทางกายเนี่ยมันกระจายตัวเองมาอย่างนี้ผิดปกติทางวาจากระจายตัวเองมาอย่างนี้ผิดปกติทางใจนะกระจายตัวเองออกมาอย่างนี้ก็กลายเป็นอาการลักษณะเป็นการกทํา แล้วกำหนดเป็นบทบัญญัติห้ามสําหรับพระแต่พระจริงๆเอากระจรั้ก็ไม่ได้สอนเป็นนั่นตั้งสอนส ม, มณะสัญญาเลยสํานลก่าเราเป็นพร ะ, ะนั้นเองรักษาสถานภาพของความเป็นพระไว้รู้สีนไม่รู้สีไม่แตลกรจริงๆมันสีนเรื่องเรื่องกฎหมายกัเรื่องศีลที่จริงเป็นเรื่องเดียวกันนะระดับเดียวกันเพียงเพียงแต่ศีนละเอียดกว่าคือมันเป็นระดับสามัญธรรมนึกคนที่มีเหตุผลแล้วคิดได้เทนะ่านั้นเนี่ย คิดได้แล้วก็สมบูรณ์ระวังได้เพราะว่ามันไม่เหมาะไม่ควรแต่ทีนี้ธรรมะเนี่ยมันค่างค่างจะเหนือสํานึกแล้วมันยากจะพิเศษแล้จะมีพาลาังในการคุ้มครองจิตใจตัวเองเช่นสมมติเจะเปลี่ยนจากขันติมาเป็นศรัทธานะมันจะคุ้มครองรักษาศีหน้าได้ไหมศรัทธามันก็คุ้มครองได้อีกแล้วเพราะศรัทธาเราเชื่อในกฎของกรรม การฆ่าการลักการรับผิดในการนันเป็นอกุศลกรรมทางนั้นได้เรามีสรัทาเชื่อมันในกฎรุงกียบเรไม่ทำนะเพราะฉนั้นกระสีันก็ไปเองโดยไม่จําเป็นจะต้องไปนับข้อมันจึงอย่ามองว่าสีนั้นเป็นเรื่องใหญ่ภูเขาโลกาที่จะต้องขำว่าฝังคำจะก่อที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตเป็นพัฒนาการทางจิตบิญญาณของมนุษย์ที่รู้จักเคารพเราพูดถึงสิทธิหน้าที่เนี่ย เมื่อวค่ำเมื่อวานเนี่ยฟังรายการเขาพูดเรื่องเรื่องเรื่องตั้งผู้ว่าพอใครมีมีแสงเข้ามาเนี่ยคือตั้งประเด็นปัญหาให้ถามนะครัเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยหมายความว่าอย่างไงหมายความจะแบบสหรัฐอเมริกาใช่ไหมแล้วผลว่าทา้คนที่พูดจะจะจะจไม่เข้าใจนะว่าคำว่าผู้ว่าผู้ว่ารายการจังหวัดนนทบุรีกับผู้ว่ารายการกรุงเทพมหานครมันต่างกันยังไง ว่ากรุงเทพมหานครมานายกเทศมนตรีผู้ว่าราชการเมืองนนเป็นต้นนะจังหวัดอื่นๆเนี่ยเป็นผู้ว่าฮะเป็นเจ้าเมืองในเมืองนั้นแล้วขึ้นตรงต่อต่อกระทรวงมหาดไทยเป็นองค์การเป็นเป็นเป็นราชการส่วนส่วนท้องจ่นนะฮะและนี้ก็คือแล้วแกแกก็พูดพูดไปว่าเอ๊ะมันจะเป็นได้อย่างไงมันจะเป็นไปได้อย่างไงเอาเอางบประมาณที่ไหนมา และการทหารละ่ะการคลังละ่ะะตํารวจละ่อ ะ, จะอะไรต่ไรเนี่ยมันต้องรับผิดชอบในเรื่องงบประมาณเรื่องบุคลากรตรงนี้ข อ, ของสหรัฐอเมริกาก็เป็นอย่างนั้นเนะียะประเทศไทยเรามันเป็นมันมันเป็นประเทศที่ขึ้นตรงตัวในหลวงแนะอะไรมาเชื่อมต่อกันในหลวงอนะ่ะถ้าต่างคนต่างเรื่องแล้วมันมั่วหมดเลยตัลกความคิดพอใครผิดผิดจากนั้นแล้วพิธีกรแท้จะมาเล่นด้วยแหละผิดจากแนวที่จะให้เลือตั้งเนี่ยไม่เล่นด้วย แต่คนที่พูดก็แสดงไม่เข้าใจว่าการเลือกตั้งนี่มันคืออะไรผู้ว่าเนี่ยคำว่าผู้ว่าในความหมายของเขาที่ว่าการบรูรณาัษณ์ของสหรัฐอเมริกามันเป็นยังไงสหรัฐอเมริกามันคนละเรื่องกับไทยมันไทยบันคนละคนละแบบการมันวิธีชีวิตคนละอย่างการเอเชียมันจะแบบแบบรอทั้งนั้นแหละอเมริกาแต่นั่นเองทีแต่มันเกิดมาจากคนอพยพคนมาคนละถิ่นคนลฐานนะต่างคนต่างก็จับจองสร้างพื้นที่กันมันก็ต้องสร้างวิธี ขึ้นมามันไม่มีใครเป็นฐานอยู่บ้นบานเมืองเราพระเจ้าแผ่นดินตั้งก็สร้างบ้านแปลงเมืองมาตลอดนะฮะนำพาชาติแปลงเมืองมาตลอดประวัติศาสตร์ยาวยาวนานก็ตกลงมาเนี้มันมันมันเกิดไปจากอะไรเกิดมาจากเราเข้าใจไม่ตลอดเรามองปัญหาเหล่าเนี้ยไม่ตลอดว่าโครงสร้างเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันเป็นยังไงที่เขาพูดจริงเรื่องอยู่แล้วนะะเรื่องนา ย, ยกเทศบนตรีอยู่แล้วเราก็เลือกอยู่แล้วอะ อธิบายไมาเอ็นนี่มันเทศมันตรีี่มันเทศบาลเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ไม่ใช่ใชจังหวัด ร, ระดับภูวารายการจังหวัดนั่นก็คือก็คืออะไรก็คือความเห็นเราไม่ตรงแล้วเราเกิดขัดแย้งกันเองถ้าเราศึกษาเกิดความเข้าใจเนี่ยมันไม่มีความขัดแย้งเราจะเข้าใจว่าเพราะงั้นเรื่องอะไรก็ตามที่เราไม่เข้าใจนะะถ้าเราไม่พูดได้ก็เดี๋ยว มีปัญหาแต่ถ้าพูดแล้วเราต้องเข้าใจในเรื่องที่เราพูดเราต้องมองเห็นก็ทั้งหมดทั้งหัวทั้งหาง<อ>ไม่ใช่ว่ามองเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งเอามาพูดหรือมันยุ่งก็ อ, อย่างวันก่อนก็ไปฟังนะฮะวันวันวันที่สิบสี่เนี่ก็ฟังรายการนเนี่ยก็สัมภาษณ์พวกนักศึกษารุ่นนั้นนะทุกวันก็เป็นผู้ใหญ่กันนะปรากฏพวกนี้สำนึกว่าเป็นความคิดที่ผิดแล้วเคยคุยกันมานะฮะพวกนี้เกิดเป็นฝ่ายโดยกันก็บอกว่าความคิดมันเปลี่ยนไป การคิดมอนนะั้นมันเป็นเด็ ก, ดกมันก็คิดไปอีกเรื่องหนึ่งกา น, นึกว่าจะจับภูเขามาดึงได้นะดากภูเขามันจงได้ตรงการถมทะเลก็จับภูเขาไปโยนโยนแบบป ร, รางจองสมุดมันก็คิดแบบนั้นนะคิดแบบนิทานอนะ่ะทแต่ทีนี้ความคิดถ้าพอสมเหตุสมผลแล้วเนี่ยมันจะลงกันทั้งหมดเพราะแนวของพุทธศาสนาจึงมีคําสอนทั้งแนวที่เป็นคําของบรุรพอัย โบราณอาจารย์เคยจานักปราชญ์ในอดีตการนานใครนะเอาของคนในยุคนั้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหม่หรือยอมรับมันเลยหรือว่าเป็นผลที่โดยตรงจากการแต่รู้มันลงกัารลงการมันก็ไปกันได้ทั้งนั้นเพราะแนวแนวของศีลที่จริงแล้วเนี่ยถ้าพอขึ้นถึงธรรมะเนี่ยนะมันจะเข้ากันไปเลยไม่ไปไม่ไปยึดติดในรูปแบบว่าถ้าจิตใจเราเข้าถึงธรรมะเหล่านั้นจริงๆต้องจริงๆนะงะ วันก่อนไปไปไหนไปไปที่ระยองนะพระท่านถามเจ้าวาดท่านถามเรื่องเรื่องเรื่องปัญหาของธรรมะว่ามันมันเนี้ยมันมันเกิดอย่างเงี้ยต่อไปเมันเป็นยังไงามาเขาบอกว่าให้จับหลักพระพุทธพุทไว้ว่าจะต้องสอดคล้องกับพระพุทธคุณนะี่แหละถ้าถ้าขัดแย้งกับตัวพระพุทธคุณมาความมาสามข้อเนี่ยต้องต้องสอดคล้องกับไปกลับมาได้ตลอดจึงจะถือว่าเป็นเรื่องจริง การปฏิบัตธรรมะนั้นกิเลส ต, ต้องลดแล้วก็ไม่เพิ่มนะฮะไม่ใช่กิเลส ต, ตัวหนึ่งเพิ่มกิเลส ต, ตัวหนึ่งลดกิเลส ต, ตัวหนึ่งเพิ่มเราดูง่ายๆนะจริงมันก็เหมือนรักษาไข้กนะ็บอกว่าหายก็คือหายไม่ได้มีโรคแทรกซ้อนอาการก็กลับคืนสู่ปกติเขาเรียกว่าหายโรคปกติของเราก็คือมีศีลก็แสดงว่าปกติก็หายจากโรคโรคก็ผิดปกติแต่ทีนี้ถ้ารับระดับธรรมะที่จริงมันระดับบํารุงนะะ ระดับบำรุงมันมันก็คือชักจะไม่ใช่ปกติตัวทั่วไปเป็นคนดีเป็นคนที่เด่นขึ้นมาเป็นคนดีขึ้นมีอาการที่แสดงออกทางกายทางวาจาก็เหนือกว่าตาหมันชนเพราะว่าเป็นธรรมะที่เป็นฐานใจ แ, แล้วเราจะเอาข้ออื่นก็ได้นะเอาสติก็ได้เอาบัญญาก็ได้ อ, อะไรก็ได้สักข้อแล้วจะคุ้มครองจิตเลยจากศีลไม่ต้องปฏิบัติสารวมระวังเพราะว่ามันเกิดตํารวมระวังไปแล้ว มันเป็นอัตโนมัติเป็นการเคลื่อนไหวที่มีสํานึกอยู่ภายในใจแล้วก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรด้วยตัวกันท่านเองถ้าสมมวิวินยัยตอนนีว่ามีวินัยในตัวเองไม่จำเป็นจะต้องไปนับบอกแย่งนั้นจางนี้คือมีวินัยในตัวเองแล้วก็จบแล้วปัญญามันจะเกิดขึ้นคุ้มครองวินิสัยในกรณีนั้นๆตามต้องควรแก่กรณีแล้วจะจะมีความละมยดละวหม่ ได้โรดสังเกตฮนะว่าบางทีเนี่ยเราเราลืมไปถึงถึงเรื่องตัวอื่นแต่เมื่อก่อนเคยยกตัวอย่างแล้คุยกันเนี่ยก็คื อ, ค, อคือบอกว่าให้ให้ลองสังเกตพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านท่านไม่พูดเรื่องทำลายวัตถุจันต้องการใจคนเลิกกลมงา่ไร้เหตุผลต่างๆแล้วบูชาไฟก็เธอทำลายกองไฟเสียอะไรแต่อะไรม่ไม่นั่นถ้าถามมาทำไมไม่รับสัง่ง ให้ทำลายเผาโรงไฟที่ที่ทชนดินเคยบูชาเนี่ยทำไมทำไมไม่ไม่ ไ, มไปพูดในแนวนั้นเพราะว่าโรงไฟเนี่ยมันเป็นทรัพย์การใช้คนอื่นทำลายทรัพย์สินเนี่ยเป็นอนทินนาทานแล้วเมียละไม่ขนาดนั้นนะนนนะเราจะพบว่าศาสตราอึดสอนผู้ศาสนามไม่สอนเลยไม่สอนทำลายทรัพย์สินทำลายโรงทานทำลายอะไรแต่โรงงมงายทำลายสารพระภูมิอะไรไม่สอนไปสายไปสอนไม่ได้ เพราะว่าสารประภูมิก็ดีรวมทางก็ดีรงรงอะไรก็ดีนะฮะในศาสนามันเป็นทรัพย์ถ้าเราขืนไปนทําลายก็ทําลายทรัพย์สินเขาเป็นการผลาญทรัพย์สินเาแาจะเป็นไงก็บาปเพราะฉะนัในเราเนี่ยพ อ, พอเรามองไปในอื่นแม้แต่การอยู่ป่าอยู่เบื่ออะไรต่อไหนที่โดรนรุ์กันอยู่เวลาเนี้ยนะถ้าเราก ด, ดเกณฑ์ทางวินัยทางธรรมะเข้ามาจับแล้วเนี่ยมันจะมีเกณฑ์มาตรฐานในการ หาความเข้าใจกันแต่ว่าเรามักใช้อารมณ์เราไม่ใช้เกณฑ์ตรงตรงนี้เพราะงั้นจึงจึงมีแต่เหตุของความเสือ่อมไม่่อยสร้างเหตุของความเจริญกันเท่าไรประการต่อไปนั้นเป็นเรื่องอาหารนี่นะเรื่องปัจจัยสี่เรื่องเรื่องอาหารที่จริงตรงนี้เน้นที่อาหารต้องใช้กำม่โพชนเปนปการโยตาแต่ใช้คำว่าบริโภคนะฮะอุปโภคบริโภค ก็ใช้คู่กันอนะ่ะคือสรุปเอาเป็นเรื่องปัจจัยสีแต่ว่าเน้นที่ที่ที่ตัวอาหารว่เราเป็นหลักการปฏิบัติที่มุ่งจะให้เกิดความสงบความเยือกเย็นขึ้นไปในใ จ, จิตใจก็ทรงใช้คำว่าโภชเนเมตต์ตันดูตารู้จักประมาณรู้จักความสมควรในการรับประทานอาหารในการบริโภคอาหารให้ท่านลองสังเกตนะฮะเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาพูดบ่อย ในศีลนสีของพระก็เน้นขอน้อนี้ในโอวาทปาติโมกเองนะก็เน้นตรงนี้มันเป็นปนัญหาเรื่องปากเรื่องท้องเป็นปนัญหาเรื่องการปฏิบัติสํารวมระวมงพอถ้าคนเราไปให้ความต้องการแก่อาหารมากเกินไปเนี่ยจะสูญเสียเวลาไปพระเรื่องแบบนี้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือคือพระเราเนี่ย ต้อคุมเรื่องตรงนี้มากนะเพราะว่าเราไม่ได้ตามตามที่เราอยากได้ไม่ได้กินตามที่เราอยากกินมันก็แล้วแต่ใครจะให้เพราะฉะนั้นทำยังไงจึงสามารถปรับใจใอยู่ได้โดยไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปพิจารณาไปนในแง่ของวัตถุประสงค์อย่าลืมนะพวกอาหารนี่ขึ้นถึงกรรมฐานนะฮะเป็นคําสอนที่เน้นย้ำมากทั้งช่วงของการสมุทรพระเนี่ยช่วงบินธ บ, บาตก็คิดอีกแบบ ช่วงฉันนก็ต้องคิดนะฮะแล้วช่วงหลังจากฉันไปแล้วหลังจากบริโภคใชส้สอยไปแล้วก็ต้องคิดต่อเพื่อไม่ให้ใจกำนัดเพลิดเพลินในเรื่องเหล่านั้นเราสามารถที่จะเรียกว่ายังอัตภาพไปเป็นไปได้โดยอาหารจะเป็นยังไงครับธรรมดาธรรมดาก็เป็นไปได้ดีๆก็เป็นไปได้แล้วโดยไม่ไปคล้องไม่ไปติดในเรื่องอาหารเหล่านั้นที่ก็พูดเรื่องอาหารพระเอาไปอาหารเสือก็บางทีเยอะเลย ดีก็ไม่มีอะไรแต่ก็อยู่ให้ได้แต่อย่าลืมว่าเรื่องเหล่านี้เป็นคำสอนที่เรียกว่าเป็นอริยวงคือวงของผู้ประเสริฐไม่ให้ตกเป็นทาตของอาหารแล้วก็ในในไพ่สี่ที่เคยเจอมาที่พูดถึงไั่คือจระเข้ก็หมายถึงว่าเป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้อง ตนความบทดอยากหิวโหยไม่ได้ดิ้นรนแสวงหาแต่เรื่องที่จะบริโภคจะกินจะลิ้มจะดื่มจะชิม อ, อยู่เรื่อยๆซึ่งใ น, ในแง่ของเศรษฐกิจเราก็เห็นว่าเราก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจการ จ, จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นในแง่ของสุขภาพภาระานา้มัมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะฮะน้อยเกินไปก็ไม่ดี ท่านเรียกว่ารู้จักความพอเหมาะพอควรทีนี้พอเหมาอพอควรก็อยู่ี่ของใครนะะท่านบอกว่าให้รู้สึกมันเบาคือกายมันเบากายสละสลวยเบาสามารถเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วไม่ตกอยู่ภายใต้ถีนามิทะคือไม่ถึงก็ทำให้ง่วงนอนแต่ไม่ถึงก็ทำให้กระชากสายด้วยนะะแล้วก็มีสองอย่าง เพราะถ้าถ้าน้อยไปเนี่ยร่างกายกระสับกระสายใจก็ไม่สงบง่วงนอนกายก็ไม่พร้อมนะฮะใจก็ไม่พร้อมตอนลงมาที่จริงก็คือกายใจไม่พร้อมกันสองอย่างอาหารน้อยก็ไม่พร้อมอาหารมากก็ไม่พร้อมก็มองพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการบริโภคปัตตาอาหารบริโภคอาหารนี่ยก็เรียกว่าแก้ปัญหาได้ป้องกันความหิวได้ขจัดความหิวได้ป้องกันความหิวได้เพิ่มเรียวแรงกําลังขึ้นมาได้ ทางกายสามารถประพฤติปฏิบัติภารากิจหน้าที่การงานได้ก็จบเป็นวิธีที่ฝึกเราจะเห็นว่าอย่างชาวบ้านเนี่ยก็ฝึกชาวบ้านศีลโบรสศีลศีลแปดเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าก็ทดลองฝึกทดลองวันหนึ่งก็คือหนึ่งดูปอดที่จริงไม่ใช่วันหนึ่งก็คือหนึ่งจริงนะครับเพราะว่าไปเป็นงดเว้นจริงจริงมาตอนเที่ยงวันแต่ว่าตอนไม่ทานอาหารมาตอนเช้า เพรนไม่ใช่ยี่สบสี่ชั่วโมงแต่เราลองนับเวลาดูนะนับเวลาแล้วไม่ใช่ยี่บสี่ชั่วโมงเป็นสิบแปดชั่วโมงอาจจะไม่ถึงดีเลยทาไปแต่ว่าทดลองดูก็เคยเคยไปเวลากล่าวจะต่างประเทศเนี่ยพวกพวกสายจวดพวกแอร์เนี่ยเขาจะอยากให้ให้ฉันเข้าอะ่ะก่อนจะเข้าแต่พมาอยอย่าอินเดียเนี่ยเฮ้ยมันยังไม่รุ่งนะ่า ไม่รุ่งฉันไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ฉานนักทีนะฮะเพรามารุ่งที่กรุงเทพพอดีก็บอกว่ากินเสียเวลานาไอรอนนับมันไม่นานนะนะเพราะอยู่ที่วัดมันก็ขนาดเนี้ยพอฉันเพนเสร็จแล้วก็ไปรุ่งในเช้ายังฉันได้มันก็สิบแปดชั่วโมงเหมือนกันว่าอยู่บนเครื่องบินมันก็ไม่ถึงขนาดนานขนะดแต่เขารู้สึกเขาเดือดร้อนมากก็กลัวระจีหิวแต่เราก็รู้สึกมันก็ไม่มากอะไรอ่ะแล้วก็ไม่เห็นไม่หิวอะไรอันนี้ก็คือ คือการมองในแนวที่ความความเคยชิ น, นความห่วงใย ห, หรือว่าความความเคยชินของเขานะกับความเคยชินของเราก็ต่างกันแต่ลองลองนับตูมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นสรุปว่าถ้าร่างกายเรายังยังอยู่ได้มันก็ไม่จะเป็นไม่จำเป็นจะต้องไปดื่มไปดื่มไปชิมก็ยุ่งยากมากเกินอาหาร อ, อย่างตอนตอนจัดงานวันที่สามตุลา พวกเต่าพวกตภาพตายไปตั้งหลายตัวไปกั้นที่ไปเบื่อให้พระฉันอาหารชั่วโมงกว่าอานเองเรากั้นไว้ต่างทำทั้งหมดถึงยี่สิบวันต้งไปั้งมานะฮะตั้งตั้งตั้งเริ่มต้นตั้งจะริ้มเสร็จเนี่ยประมาณถึยี่สิบวันเต่าตภาพตายไปทั้งหลายตัวเวลากินเพื่อกินนิดเดียวเองชั่วโมงนะ่ยที่ยิมก็มากนะชั่วโมงก็มากไปแต่ว่าบางทีก็กินไปคุยกันไปก็ว่า ก, กันได้ เการสูญเสียเวลาไปเพราะงั้นท่านก็นสอนในแนวที่ว่าอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มนิวรณเพิ่งง่เพิ่มอย่าเพิ่มนิวรณ์ถีนะมิทะกับอย่าเพิ่มกุกุจะคือครําคาญเพราะว่าอาหารมากจะเพิ่มกิเลสน ะ, ะอาหารน้อยก็เพิ่มกิเลสเป็นเรื่องอาหาร จ, จ, จึงกลายเป็นเรื่องใหญ่พระเจ้ารับสากว่าสัเปสตาหารติติกาสัต ต, ต, ต, ต, ตังหลายจะอยู่ได้เพราะอาหารแต่อย่ามีปัญหาเพราะอาหาร วันจึงทรงสอนพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงอารีปติคูณสัญญาคือมองเห็นความปฏิกูลของอาหารแล้วก็เพื่อจะไม่เกิดความกำหนัดเพลิดเพลิอพอนอินดีอะไรมากเกินไปอ่ะลดละความกำหนัดความเพลิดเพลิ น, นเรื่องเหล่านั้นแล้วข้อต่อไปเป็นเรื่องการใช้ความเพี้ยนเราใช้คำว่าชากริยนุโยมคืออยู่ยังมีความเปลี่ยนพยายามโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความคิดนะี่ยนะ คมคิดเนี่ยทำยังไงว่าเลยเวลาว่างเนี่ยให้อย่าให้จิตมันไปอยู่ในเรื่องที่เป็นอกุศลแม้จะดูโทรทัศน์ดูอะไรก็ได้นะแต่ิ่งคิดได้เป็นธรรมะได้ทั้งหมดเลยถ้าเราคิดเป็นนะ่ยนะคิดได้เป็นธรรมะมันก็กลายเป็นความรู้เท่าทันแล้วก็สามารถที่จะมองเหตุการณ์ต่างๆในเข้าไปหาธรรมะแล้วก็ดูธรรมะเหล่านั้นภายในจิตดูธรรมะเหล่านั้นภายในสังคมของเราที่มันเป็นอาการปรากฏอยู่ในเรื่องราวต่างๆคือจะใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมด อย่างที่เค ย, ยกตัวอย่างหมอชีวโกมารพัฒน์ให้ฟังว่าหมอชุมมชิวโกมารพัฒที่จริงก็คือสัพพันยูในสายแพทย์นะคือรู้หมดในสายแพทย์มันก็เป็นสุดยอดของแพทย์หมายความยังไงหมายความมองทุกอย่างเป็นยาได้ทั้งหมดได้แก้โรคได้ทั้งหมดนั่นคือมองแบบหมอชีวโกมารพัฒน์ก็ว่าสุดยอดเขาหมอนะคือหาประโยชน์จากสรรพสิ่งรอบตัวเพื่อใช้เป็นยาได้ทั้งหมดพระพุทธเจ้าเองก็มีลักษณะอย่า แต่มันเหนื่อยจากนั้นนะนะฮะก็เหนื่อยจากนะั้นมาคือมองทุกอย่างเป็นธรรมะได้หมดหาประโยชน์จากทุกเรื่องของเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมเราจะว่าเหตุดีพระเจ้าก็ใช้เป็นธรรมะได้เหตุกลางๆก็ใช้เป็นธรรมะได้เหตุไม่ดีก็ใช้เป็นธรรมะได้ทรงใช้ทั้งหมดเลยทรงเอานักโทษที่เขาคุมไปเพื่อเข้าสู่แถลงแกงมาเป็นเครื่องมือสอนธรรมะได้ เอาคนที่เป็นโรคเปื่ยหน้าผูพังไปทั้งตัวมาสอนธรรมะได้เอาซากศพมาสอนธรรมะได้เอาช่างตกลงมาสอนธรรมะได้เอาคนทะเลาะกันมาสอนธรรมะได้เอาคนช่วยกันทำงานมาสอนธรรมะได้บาทกคือมาความที่ที่จริงเหล่านี้คือธรรมะที่เป็นรูปธรรมเพียงแต่เราไม่ได้คิดว่าอันนี้คือธรรมะเราวิคิดเป็นเป็นอะไรนะก็ก็แล้วแต่ใครจะคิด แต่ถ้าเราเราเข้าใจวันนี้ที่จริงแล้วก็คือความเคลื่อนไหวของธรรมะความชั่วคนที่ถูกนําไปจองจําหรือถูกตรึงอยู่ตามตารางแกงพระเจ้านําพระเป็นปอยนะคือสมัยนั้นมันทันทรมานแรงนะก็จะไปตรึงเอาไว้แล้วปติเสียบไว้นะเสียบไว้ในลานพระหารเขาเรียกว่ามีภูเขาก็มีภูเขาที่ทิ้งโจรอันนั้นทิ้งภูเขาเลย ไปฉีบตกปูเขาแล้วก็บางทีก็มาตรึงไว้เป็นการทรมานคนให้ได้รับการหลับจําสมัยมาไปอยู่อินเดียแต่ว่าไม่ได้ไปเห็นเองนะคือคือว่าเหตุการณ์ผ่านไปแล้วตอนเราไปนั้นเหตุการณ์ผ่านไปแล้วมันมีนักเลงใหญ่ที่สารนาที่ใกล้ที่ใกล้พระเจ้ า, าแสดงมาต่อประเทศนานักเลงใหญ่เดี๋ยวค่มคู่คุ ค, คามคนรีดถอยคนเป็นแก๊งแบบอินเดียหน้าตาเป็นจักเป็นมันก็ ผู้กำกับเขาขึ้นไปใหม่จากจากทางเดนมีเนี่ยขึ้นไปใหม่ก็ปลอมตัวเป็นแขกขายโลจีตัวเล็กๆไปโอ้ยโดนอิทธิอิทธิพลนักเลงอนาพานข่มขู่ยถึงจุดหนึงก็เตะเผู้กำกับไอ้นักเลงเนี่ยเตะผู้กำกับแล้วตัวเขาเล็กอะตัว เ, เล็กไอตอนเตะก็สูบไป แล้วก็ลู ก, ลกน้องตำรวจที่มันปลอๆมๆมาอยู่แต่นั้นก็จว่าจับอุ้กจับไปเล่นแจกจับไปตีขาหักตองขานตีขาตอง ข, า, ข, า, องขาแล้วให้ตำรวจถ่ายให้รถรถเนี่ยรถรถรุนก็ต้อใส่น้ําแข็งรุนไปตามนั่นที่ต่างๆให้คนมาดูเอาดอกดอกไม้แดงเสียบขอมันก็แบบโ บ, บราณแบบโบราณดอกชบาทัดหูนะเขาบอกตกองกเสียบประจานเกณฑ์ไปต่างๆเพราะ พะกระหายน้ำแกให้ปัสาวะและให้ดื่มปัสวะหลยโอ้โหมันลือเลยกันนั้นนะก็พวกโจนี่หายหัวหมดเลยจัดการไงหัวหน้าใหญ่ทีเดียวฮะตีขาหักสองข้าง <c oughs> ก็เล่นแรงนะแต่ถ้าเรามองถึงว่าแบบสมัยวุธกาศมันก็มีแรงมีแรงแรงทนทรมานยี่สิบเอวิธีนี่แรงมากๆเรายัางรูกว่าเอวิธีนี้มันจะมีชีวิตอยู่พอหรอมันมันมน่าจะตายก่อน มาเคยนำมาเรียบเรียงไว้ในพระสูตรนะในทุกขสูตรคือแสดงเรงทันทรมานตา์ต่างๆแล้วก็จนถึงสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยเขาเอาเรื่องเหล่านี้ไปไปสร้างเป็นคุกทําลายมนุษย์ลงโทษมนุษย์จนถึงกา่อนพระเจ้าอโศกที่จะกลับมานับถือพุทธ น, นะะก็รุนแรงแล้วตรงนี้เรากลายเป็นอุปรกรณ์ในการสอนผูเจ้าก็เสด็จไปมปริูไปชีดู ไห้ดูดูเด็ดเดีประหารอยู่ในอะไระไรแล้วก็สอนว่าเป็นเครื่องมือในการสอนได้ทางนั้นก็เกิดจิตสํานึกแล้วก็สอนตรงนี้อาจย้อนกลับไปหาหนารกได้เลยนะล่าหายไปลงหนรกเลยหรือให้ดูว่าภคยในนรกมันยิ่งกว่าตรงนี้ยิ่งกว่าที่คนเหล่านี้กําลังประสบความทุกข์ทรมานต่างๆแต่นั้นก็คือการมองเพื่อได้ประโยชน์เป็นการใช้ความเปลี่ยนพยายามในแนวความคิดคือพัฒนาความคิดไปเรื่อยๆ หาประโยชน์จากจากทุกเรื่องแล้วก็ปรับใจอยู่ได้ประการใช้ความเพียรในแนวนี้ท่านว่กว่าความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตไอ้ความเพียรทางทางกายเนี่ยเราอยู่ในอยาบทใดก็แม ก, ก, ก็แล้วแต่นะแต่ว่าตัวการพัฒนาจริงๆก็อยู่ที่จิตคือจิตคิ ด, คดอารมณ์ที่จริงเราก็ทำได้ตลอดแม้จะอาบน้ำแม้จะก่อนนอนแม้จะอะไรเราก็ทำได้ ทำยังไงว่าคิดแตเ่เป็นพัฒนาการมีความสงบเกิดขึ้นภายในใจมีความเยอกเย็นปรากฏขึ้นภายในใจแล้วก็มีผลเพิ่มขึ้นเป็นการเสริมคุณภาพจิตวิญญาณของของตนเองนะให้ร่างกายมันก็แก่ไปเปลี่ยนแปลงไปก็ธรรมาดาเราก็แก้ไขอะไรไม่ได้แต่ทำยังไงว่า อายุจิตมันจเจริญเจอจิตมันโตขึ้นจเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นชาแนวชากริยาโนโยกเนี่ยแล้วกอบประกอบความเพียรด้วยความตื่นตัวเป็นลักษณะของสตินะลักษณะลักษณะของสติที่จะควบคุม จ, จิตใจตัวเองให้มีความตื่นตัวอยู่สม่ำเสมอลึกรู้เท่าทันต่ออารมณ์ทั้งหลายเหตุการณ์ทั้งหลายไม่ว่าอะไรก็ตามนะใช้เป็นเป็นเครื่องมือในการสอนใจในการคิด ในการหยุดตัวเองในการห้ามกันใจิตใจตัวเองอยากรู้พเจ้าทรงใช้เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเตือนคนอย่างที่เคยเล่าพวกพระรัตวาชนะครับพระรัตวัชที่คนหนึ่งมาที่โกรธเมียมานะฮะแล้วก็ไม่รู้จะด่าใครก็มาด่าหรวพ่เจ้าคนนี้ไม่ใช่ด่านะมาถามปัญหาถามปัญหาในทํานองด่ากระทบคือไม่ด่าตรงๆ พระเจ้าก็มีวิธีที่จะตอบนะตอบเข้าถึงใจแก่และแก่ก็นับถือ น, น้องชายมามาถึงก็ด่าเลยโกรธเตี้ยวพี่ชายปวพระเจ้าก็อุปมาด้วยของรับแขกเพราะอีกคนหนึ่งนะอีกคนหนึ่งมาพระเจ้าก็ชายวิธีนั่งเฉยนังเฉยก็ด่าพระเจ้านั่งเฉยเห็นว่าคนหนึ่งก็ดา่พดาพระเจ้าก็ตอบคนหนึ่งดา่าก็ น, นั่งเฉยเไม่ตอบพระา ม, มีน้องพระเจ้าไม่ตอบแกก็คิดโอ้ยเรชาชนะแล้วเรชาชนะแล้ว พุทเจ้าก็ชี้แจงให้ฟังว่าระหว่างคนนิ่งเมื่อถูกด่ากับคนด่าที่เมื่อเขาไม่ด่าตอบในี่ใครเป็นคนชนะกันแน่แล้วใครป็นคนแพ้กันแน่แล้วก็ต้องยกตัวอย่างให้ดูนะว่าไอ้คนคนชนะจริงๆนะ่ยคือชนะใจตัวเองเกยจะทําชั่วพูดชั่วแล้วก็ข้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่ทําไม่พูดไม่คิด เพราะคนที่ชนะคนอื่นที่จริงก็คือคนที่แพ้ตัวเองเป็นเรื่องเป็นเรื่องน่าคิดว่าคนที่ชนะคนอื่นคือคนที่แพ้ตัวเองและยิ่งเอาชนะคนอื่นมากเท่าไรก็ยิ่งแพ้ตัวเองมากเท่านั้นและความความแพ้แพ้นั้นจะอยู่นานกว่าเรื่องที่เราชนะชนะมันก็ประเดี๋ยวบัะเดาก็จบแล้วแต่ความแพ้แพ้เนี่ยมันมันจะรับผลนานอย่าว่าการต่อสู้การปรารปหานการเราชนะคือยิงก็ตายเปี้ยนกันนี้เดียว เขตายแล้วแต่เราในแพ้นานนี่ยแพ้ภัยตัวเองแพ้ใจตัวเองแพ้ภัยกฎหมายบ้านเมืองต้องติดลูกติดร่างไปหายไปเลยมันวิธีการของคนฉลาดเนี่ยหรือเขาไปใช้วิธีเดียวกันแล้วเขาชั่วมาเนี่ยก็ไม่ช่วยตอบคือปล่อยเขาช่วยเป็นคนเดียวในกรณีที่เราแก้อะไรเขาไม่ได้เราก็ปล่อยเขาช่วยเป็นคนเดียวแต่เราแก้ได้เราก็ช่วยแก้แต่ถ้าปกติแล้วพ ว, พวกนี้มันมาเป็นศัตรูนะฮะมันแก้ไม่ได้แล้ตอนนั้น แต่วิธีของพระเจ้าปรากฏว่าเอาชนะพรามกว่านี้ได้อีกอธิบายไปก็พรามกว่านี้ก็ยอมยอมนะฮะเรื่องบางคนมาต้องการจะถามปัญหาต้องการคือมันมากโกรธมานะแต่ว่าคิดจะเอาชนะรูดจา้ามาถึงพูดไม่ออกน้องคนที่สี่เนี่ยมาถึงพูดไม่ออกโกรธมากถึงพูดไม่ออก ก็ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็เอาวิธีการชนะได้ดนั่นหมายหมายความว่าคนมาโดยมุ่งทําลายนะมุ่งทําสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพระองค์ทั้งหมดนะทั้งสีนคนแต่พระองค์ก็ไม่ถูกทําลายและยังให้สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เขาแต่ระดับนี้ระดับพระพุทธเจ้านะฮะก็ระดับเราก็คงทำยังไงล่ะเพราะขณะเขามาทาลายทาลายเราก็อยาให้เขา ทำรายได้ก็พอพอก่อนเนี่ยนะเอาไว้ได้กอด่อนตรงนี้ส่วนส่วนจะพูดจะจาจะชี้แจงจะอธิบายก็คงจะว่ากันวันต่อไปในช่วงนั้นก็คงจะพูดอะไรกันไม่ได้ในความเพียรจึงทรงวางเป็นเป็นบทในการเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติไว้พระเจ้าเองก็ทําพระองค์เป็นตัวอย่างโดยโดยการใช้เวลานอนนิดน้อยใช้เวลาทําความเพียรนิดมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือใช้มีสติเป็นหลักทํำยังไงว่าอยู่อย่างมีสติเดินเหินจะทําจะพูดจะคิดอะไรแต่ไหนมีสติเป็ น, เ ป, นเป็นตัวกํากับความรู้สึกนึคิดของเราแล้วก็ให้ตื่นอยู่เสมอมีอะไรจติตใจคุณมัวซ่อมหมองก็พยายามสลัดออกไปเพราะมันเก็บไว้ก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไร นึกแค่เห็นโทษแต่บอกความดีเกิดขึ้นเราก็พยายามรักษาความดีเหล่านั้นเอาไว้มันก็แนวแนวอะไรแน ว, แน ว, แนวจิตตานุปษษัสสนาตติปษษัฏฐานท่านทั้งหลายลองสังเกตว่าแนวนี้เป็นแนวดูเป็นลักษณะตื่นตัวดูว่าจิตมีกิเลสหรือไม่กิเลสพูดง่ายๆนะมีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะสงบไมสงบฟุ้งซ่านหรืฟุ้งซ่านหลุดพ้นไม่หลุดพ้ น, พนอะไรแต่ไรนี่ตั้งมั่นไม่ตั้งมั่นก็ไดู คือสรุปจริ ง, รงๆนะพูดง่ายๆว่าจิตเรามีกิเลสหรือไม่ไม่มีกิเลสเรือมีกิเลสเรื่อมีธรรมะก็ดูอย่างนั้นกิเลสมันร้อนธรรมชาติของเราอะไรร้อนเราก็หลบนะ ก, กิเลสร้อนสกรปรกนะไม่ต่าอะไรก็ตามาสกรปรกร้อนแปดเปื่อนเนี่ยเราก็พยาพยามที่จะหลบพยายามที่จะหลีโดยพื้นแสดงว่าจิตใจเรามีอยู่แล้ว ที่รังเกียจรังเกียจสิ่งโสโครกรังเกียจสิ่งเหล้าร้อนรังเกียจสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งสิ่งสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วรังเกียจที่รังเกียจรังเกียจสิ่งโสโครกรังเกียจสิ่งเหล้าร้อนรังเกียจสิ่งที่ไม่สะอาดทั้งสิ่สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยเราไม่ชอบอยู่แล้วรังเกียจหรือว่าทํายังไงว่าให้จิตใจมันเกิดขึ้นโดยธรนมะคือรังเกียจบับรังเกียจความชั่วแม้แต่ความคิดในความคิดชั่วเนี่ยเรพยายามให้รังเกียจ ครั้งแรกสองครั้งก็ทําไม่ได้แล้วนะแต่ว่ากพยายามทําไปเพื่อฝึกปลือจิตใจให้มองเห็นแล้วมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้ น, นเรื่องเหล่านี้ก็อาศัยประสบการณ์สะสมจากความคิดต่างๆประสการต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังนะแล้วก็น้อมเข้ามาหาสมมติก็สมมติเอาก็ได้นะสมมติว่าความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเกิดขึ้นแกเราก็จะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างเดียวกัน ใครก็ตามนะที่จิตใจมีกิเลสระดับเดียวกันแต่ว่าพื้นฐานจิตของคนระดับเดียวกันด้วยนะฮะจะแสดงอาการในแนวเดียวกันเพราะนั้นเมื่อเกิดขึ้นในคนหนึ่งก็กลายเป็นแบบเปลี่ยนเป็นครูในการที่จะกระตุ้นเตือนเราเกิดความสำนึกรราหาประโยชน์จากทุกเรื่องรอบตัวเราท่านน่ารายงานว่าแนวการปฏิบัติทั้งสามข้อนะที่จริงก็ดูแลว้วใกล้ากันน้อย แล้วเราสังเกตบางทีตรงเรียกว่าเป็นการบฏิบัติไม่ผิดก็ไม่ผิดเนี่ยนะปฏิบัติธรรมะก็ไม่ผิดอยู่แล้วเป็นวิธีการระดับศีลนะเป็นวิธีการระดับธรรมะเบื้องต้นแต่ก็ศีลเบื้องปลายวิธีสํารวมระวังเกี่ยวกับเรื่องอาหารเราจะเห็นว่าระดับศีลมันมันก็ไม่ได้ผิดอะ่ะแต่ระดับธรรมะแล้วผิดทีนี้พระเนี่ยถ้าเป็นการบริโภคด้วยตังหา ความอยากมากเกินไปอย่างนึกถึงถึงตอนนี้เทศการเจหมดแล้วอย่างนะเทศการเจเห็นอธิบายทําปลานั้นปลาเนี้ยคับบริโภครูปเสียงกลิ่นรสเนี่คือว่าโรคโรลงประเด็นของากรรมกรรมมคุณนะ่ยนะครับกรรมมคุณที่จริงคือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสก็เรียกกรรมมาคุณกรรมาคุณทั้งนั้นแหละนะเพราะงั้นได้ทํา เอาอะไรอ่ะเอามาทําเป็นขาไก่เป็นไข่พันโลเป็นปลาแต่เพียนเป็นปลาอะไรตะอรยิ่งยารเจนที่จริงมันก็ปรุงรูปปรุงสีปรุงกลิ่นปรุงรสอยู่แล้วมันก็กรรมมาคุณอยู่แล้วคือคือคือเราเราไม่ดูที่จิตนะฮะเราไม่ดูที่จิตเราไปดูตรงอื่นโดยดูรูปแบบข้างนอกถ้าเราดูที่จิตเราอะไรเราจะเห็นได้ชัดว่าที่จริงไอ้นี้ก็ไม่มีอะไรเอามาพูดกันเป็นคุ้งเป็นแควออกมาออกวิทยุได้เป็นชั่วโมงนะพูดแต่เรื่องกินนั่นเอง เรื่กินเขาไมพูกันหรอไม่ต้องไปอวดกินอย่างนั้นกินอย่างนี้ทําสีอย่างนั้นกลิ่นรถอย่นี้รถกลิ่นก็กลิ่นปลาเพื่อนก็ถามมามีกลิ่นปลาหรือเปล่าอ๋อต้องเอากลิ่นปลามาด้วยอาอกลิ่นมันแล้วกลิ่นมันก็การคูณเนี่ยนะะไปลองดูแต่อาหารเจบางทีอาหารเจอาหารอะไรอาหารมังสวิรัตอาหารเจเนี่ยคือถ้าเราถ้าเราจะกินก็กินเน่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่อย่าไปบริโภคบริสันหาแล้วก็บริโภคแล้ใหญ่เกิดมานะ แด้เกิถ <them. S 1> e ือต so, so ัว so, ช you ั s <S mm ้นเจนะเนี่ยเธอไม่เจแล้วก็เกิดอติมณะดูหมิอนคนอื่นที่ไม่เจแล้วก็ถือว่าเราเจถือว่าเราบริสุทธิ์คือคือคือถ้าความบริสุทธิ์กําหนดโดยการกินของอย่างนั้นก็วัวควายบริสุทธิ์กว่าคนเยอะแหละวัวมันไม่เคยกินเลยคือมันไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานอะไรไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานอะไรกินผักกินหญ้าบริสุทธิ์แต่วัวควายก็บริสุทธิ์กว่าคนอันนี้เคยยกตัวอย่างเดี๋ยวพระเจ้าพูดกับพวก อาบน้ําในแม่น้ำผูกการอะไรเนี่ยเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรนะในสมัยพุทธกาลเยอะก็เคยคนเคยโจมตีพระพุทธเจ้าปริพารโชก ค, คนหนึ่งโจมตีพระพุทธเจ้าว่ากินกิ น, ก, นกินข่าวพรุทธเจ้าบอ ก, กว่ากิ่นคาวไม่จะกินปลากินเนื้อหรอกกินข่าวนะี่คือทุจริตเราเห็นว่าขคาวไปทั่วบ้านทั่วเมืองนะฮะกินกินทุจริตทั้งหลายเนี่ยกิ่นคาวปลามันล้างเนี่ก็หายแล้ว แต่กินข่าวคนกินข่าวสกโปกความชั่วทั้งหลายเนี่ยมันคาวไปทั่วบ้านทั่วเปือกบางทีก็แพร่ไปทั่วโลกเลยนะอย่างลองแบนเอามาลงเนี่ยก็คาวไปกระชอนไปทั่วหมดอันนี้มันก็เป็นไปเรื่องทุจริตอ่ะเป็นเรื่องทุจริตไม่ใช่เรื่องของของของกินปลากินเนื้อในอามาการดาสูตรไม่ทราบเคยปิดเรื่องแต่นานนะนะก็เรื่อ ง, เ ร, องเรื่อง น, นั้นอยู่อยู่ในมัชจิมานิกายเรื่องเรื่องนี้ก็เคยเคยโต้กันแล้ว เขเคยมาโจมตีเราพระพุทธเจาแล้วะุทธเจก็ชี้แจงว่าไอ้ทุจดิตจริงๆนี่คีรีขาทีรีไม่มีธีไม่มีมมอุตตะปะวจีทุจดิตทั้งหลายวัจีทุติตกายทุจดิตทั้งหลายเนี่ยพวกนี้กินขาวแล้วก็ล้างไม่หายด้วยนะแล้วก็ไปเปื้อนคนอื่นด้วยเพราะงั้นในแนวการปฏิบัติจริงๆจะเรียกว่าความเพียรเป็นผู้ตื่นเนี่ยมันต้องมีสติแล้วก็ขาจัดความหลงได้ก็มีเหตุมีผล หมายความว่าแนวของพุทธศาสนาทั้งหมดไม่ว่าจะมาจะแนวอะไรก็ตามเราจะต้องเห็นการลดลงไปของกิเลสด้วการเพิ่มขึ้นของธรรมะในในระดับใดก็ได้นะแต่ต้องเห็นในสองจุดนี้ต้องเห็นตั้งการเพิ่มการลดเป็นวิถีแบบธรรมชาติเมื่อเย็นเพิ่มร้อนก็นต้องลดร้อนเพิ่มเย็นก็นต้องลด กิเลสเพิ่มธรรมะก็ลดธรรมะเพิ่มกิเลสก็ลดมันเป็นสูตรของมันอย่างนั้นนะะความเพียรเพิ่มความเกียจคร้านก็ลดสติเพิ่มความเผลอเรอก็ลดปัญญาเพิ่มความโง่ก็ลดความเมตตาเพิ่มความโลภความโกรธก็ลดเราจะจะเห็นว่าคนที่เราเมตตาเราโกรธด้วยไม่ได้มันเป็นวิธีแบบธรรมชาติเราจึงมองเห็นว่าธรรมะก็คือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะธรรมะการการเคลื่อนไหวของชีวิตก็คือวิธีของธรรมะ ที่มันสะท้อนออกมาเป็นรูปธรรมในตอนตอนนี้ก็ทรงแสดงเป็นรู ป, ปรทางไม่เสื่อมไว้เพียง3ข้อคือเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องการรู้จักประมาณในการรับประทานอาหารแล้วก็เป็นเรื่องการใช้ความเพียรที่ต่อเนื่องกันไปเรียกว่าความเพียรในลักษณะตื่นตัวแล้วก็ปลุกใจตัวเองให้ตื่นโดยไม่ตกเป็นทาตของกิเลสอย่างน้อยก็อย่ายสลืมสลือ ม, มากเกินไปนะควบคุมตัวเองไว้ได้ วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้โดยเวลาถึงท่านี้ที่สุดนี้ข้อความเจริญกงามไปบูรณนธรรมจะมีแด่ท่านสาวชนทั้งหลายโดยทั่วการทุกท่านถี่